สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีราลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในเรื่องราวของกฎทองคำกฎข้อที่เจ็ดก็คือของประธานพี่น้องครับของประธานในหลายๆลายประเด็นที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับทำให้เราเห็นว่าหรือรู้ว่าของประธานนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสาหรับคริสตจักรของพระเจ้า และเป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่คริสเตียนนั้นต้องใช้ของประทานอย่างถูกต้องพี่น้องครับในวันนี้เราจะดูครับว่าของประทานนอกจากจะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วเราต้องมาเป็นที่9ครับคือเราจะต้องแสวงหาของประธานพี่น้องครับในพระธรรมหนึ่งโครินโบที่สิี่ข้อหได้กล่าวว่าจงมุ่งหาความรักและขวนขวาย ของประธานด้วยความจริงใจจงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประธานด้วยความจริงใจเมื่อเราทูลขอของประธานจากพระเจ้าพระองค์จะทรงให้เรารู้ใน3มเรื่องต่อไปนี้ครับเรื่องแรกพระองค์จะทรงช่วยให้เราค้นพบสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่ตัวเองไม่รู้ว่ามีพี่น้องครับบางครั้ง พระเจ้าประทานของประทานมาแล้วอยู่ในตัวของเราเลยครับแต่เราไม่รู้ว่ามีเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายครั้งเรายังไม่ได้เคยเปิดตัวเองไปรับใช้พระเจ้าเราจึงไม่รู้ว่ามีของประทานนี้อยู่พี่น้องครับเมื่อเราเริ่มต้นรักพระเจ้าและยินดีที่จะทำอะไรอะไรเพื่อพระเจ้าในขณะที่เรากําลังรับใช้เรา ก็เลยรู้ว่าอ้อเรามีของพัะทานบางอย่างนะแล้วเราสามารถนำของพัะทานเหล่านี้ที่พระเจ้าให้กับเรามารับใช้พระเจ้าให้ดียิ่งขึ้นซึ่งนำมาถึงความชื่นชมยินดีครับพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวในโบสเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งบางครั้งอาจจะมีคนมาเชิญเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่ทำ พรเหตุที่ว่าเราอาจจะไม่กล้ากลัวเกรงใจหรือคิดว่าตัวเองไม่มีของประทานผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าหลายครั้งทีเดียวเราไม่รู้ครับว่าเรามีของมาทานหรือเปล่าแต่เมื่อเราเริ่มทำเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มรู้ว่าโอ้สิ่งที่เราคิดว่าเราไม่มีนั้นแท้จริงเรามีครับขอบคุณพะเจ้านะครับสําหรับหลายหลายท่าน รวมทั้งตัวผมเองที่พี่เลี้ยงหรืออาจารย์ที่โบสถ์หนุนใจและชวนชวนมาให้รับใช้พระเจ้าพอรับใช้พระเจ้าเริ่มรับใช้เราก็รู้ว่าเริ่มมีความสนุกเริ่มมีความชอบและเริ่มรู้ว่าอ๋อนี่นะเรามีของประทานอันนี้แหละครับพี่น้องครับ อย่าปฏิเสธก่อนอย่ารีบปฏิเสธเวลาที่มีคนให้โอกาสเราที่จะรับใช้อย่ารีบปฏิเสธเวลาที่คนเชิญชวนเราในการที่เราจะลองรับใช้พระเจ้าเพราะว่าจากการรับใช้พระเจ้าจากการเข้าถึงการรับใช้ในด้านาต่างๆเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการรับใช้ในเรื่องราวใหม่ๆที่บางครั้งเราอาจจะไม่เคยทำมาก่อน หลายครั้งทีเดียวครับเราถึงจะได้เริ่มรู้ว่าเรามีของประทานจริงๆขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับนอกจากการที่ว่าเมื่อเราเริ่มรับใช้นั้นเราจะรู้ว่าเรามีของประทานอะไรบ้างนะครับในประเด็นต่อไปก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าเรามีของประทานบางสิ่งบางอย่างแล้วเราจะต้องทูลขอ ขอพระเจ้าเสริมความเข้มแข็งเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเติมสมรรถภาพเพิ่มเติมความสามารถเพิ่มเติมจักรยภาพขึ้นให้มากขึ้นในของประทานที่เรามีอยู่แล้วซึ่งจะทำให้เราเกิดผลมากถวายแด่พระเจ้าครับพี่น้องครับหลายเลยครั้งทีเดียวเราบางคนอาจจะพลาดไปครับถามว่าพลาดเรื่องอะไรครับก็คือว่าเมื่อรู้ว่าเรามีของประทานแล้วบางท่านอาจจะเย่ยยิง และคิดว่าตัวเองนั้นเพียงพอแล้วตัวเองนั้นเหลือเหลือแล้วพี่น้องครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเราสามารถที่จะทูลขอการเพิ่มพูนเพิ่มเติมการเสริมความแข็งแกร่งในของระทานที่เรามีอยู่แล้วได้ครับแต่ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของเราเองไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงไม่ใช่เพื่อหน้าตาของเราไม่ใช่เพื่อให้คนอื่น ยกย่องเราแต่เพื่อให้เกิดผลมากครับคำว่าเกิดผลมากนั้นเป็นคำที่สำคัญเพราะหลายครั้งทีเดียวบางคนอาจจะไม่คิดว่าไม่เชื่อว่าจะเกิดผลมากและไม่เห็นว่าการเกิดผลมากนั้นเป็นเงื่อนไขสำคัญที่เราจะต้องเลือกทำอะไรและไม่ทำอะไรพี่น้องครับผมอยากจะเปรียบเทียบว่ามีของสองอย่างที่เรา ตั้งใจจะทำอย่างหนึ่งเกิดผลมากอย่างหนึ่งเกิดผลน้อยพี่น้องครับพระคัมภีร์สอนให้เรารู้และเราวางแผนและเราตัดสินใจเลือกและพระคัมภีร์บอกว่าให้เกิดผลมากการเกิดผลมากนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับคริสเตียนนั้นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการเกิดผลพี่น้องครับการเกิดผลมาก เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะทำอย่างไรเพื่อจะทูลขอพระเจ้านั้นในเพิ่มเติมเสริมกำลังเรียวแรงให้กำลังทั้งกำลังภายนอกและกำลังใจให้เราเกิดผลมากเราสามารถทูลขอเราสามารถขอจากพระเจ้าได้ครับพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมความแข็งแกร่งให้เพิ่มพูนขึ้นเสริมสมรรถภาพของเราในการใช้ของประธานที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้น ได้เกิดผลมากถวายพระองค์เถิดครับรเบเรนต่อไ ป, ปเบเรนที่3าพระเจ้าสามารถประทานของประทานใหม่ใหให้เราเพิ่มเติมได้อีกครับพี่น้องครับท่านศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของประวัติศาสตร์คริสตจักรในประเทศจีนมีนักประกาศที่มีชื่อเสียงมากกว่าหนึ่งก็คือศาสนาจารย์เตงซีเมย เสแสร้งนั้นเดิมทีถ้าเป็นคนพูดติดอ่างครับพอท่านเชื่อในพระเจ้าแล้วรับบัพติศมาบังเกิดใหม่แล้วท่านก็มีจิตใจที่อยากจะทําตามพระมหาบัญชาครับคือการประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวท่านก็ออกไปประกาศข่าวประเสริฐเลยครับแต่พอคิดถึงตัวเองว่าเป็นคนพูดติดอ่างก็ไม่กล้าพูดมีวันหนึ่งครับ ภายในจิตใจนั้นมีความกระตอรือรือร้นมีความร้อนรอนมากที่จะต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วท่านทนไม่ไหวกับความรู้สึกติดอ่างของตัวเองเป็นปมด้อยของตัวเองท่านก็ออกไปเลยครับตัดสินใจออกไปเป็นพยานออกไปประกาศข่าวประเสริฐไปเล่าเรื่องพระเจ้าให้กับคนอื่นฟังในที่สุดท่านสามารถเป็นพยานเล่าเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นฟังโดยไม่ติดอ่างอะไรเลยครับ และต่อมาท่านก็ไม่ลำบากใจที่จะเป็นพยานประกาศเทศนาสั่งสอนไปเรื่อยๆแต่มีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับเวลาท่านไม่ได้เป็นพยานไม่ประกาศกรารประเสริฐท่านพูดติดอ่างเหมือนเดิมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้รับใช้ของพระเจ้าและในประเทศไทยของเรานั้นก็มีผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยเหลือท่าน ให้ท่านนั้นได้พูดด้วยความราบรื่นได้พูดด้วยสิ่งที่ทำให้คนอื่นนั้นฟังแล้วกลับใจใหม่ครับทั้งที่ท่านกลัวการพูดพี่น้องครับข้าพเจ้าเองก็เป็นเหมือนกันมีหลายหลายครั้งทีเดียวความไม่กล้าของเราการที่เรากลัวเรื่องของการพูดในที่ชุมนุมชนพี่น้องครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกคน อาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่เมื่อเราได้บังเกิดใหม่เราได้ถวายตัวกับพระเจ้าเราแสวงหาของประธานครับเราแสวงหาของประทานเราทูลขออธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าจะช่วยให้เรามีความสามารถมีความคิดมีความชํานาญมากขึ้นในการที่เราจะถ่ายทอดพระวจนะของพระเจ้าใช้ของประทานที่พระเจ้าให้กับเราพัฒนาและ มีของประทานใหม่ๆครับการมีของประทานใหม่ๆทำให้เรานั้นได้รู้ว่าเรากำลังรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ครับพระองค์สามารถที่จะประทานของประทานใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวนะครับไม่อยากให้พี่น้องกลัวเมื่อเวลามีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องทำเพื่อพระเจ้าพี่น้องครับเราทำเลยครับเมื่อพระเจ้าเรียกร้องให้เราทา พี่น้องครับไม่ต้องกลัวเหมือนดังโมเสสครับโมเสสนั้นแท้จริงแล้วเขาได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าโมเสสก็ปฏิเสธโมเสสออกตัวกับพระเจ้าว่าก็พระเจ้าเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วพี่น้องดูสิครับหลังจากที่โมเสสนั้นได้เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าประทานของประทานเรื่องของการพูดให้กับโมเสสโมเสสพูดไม่หยุดเลยนะครับพูดมากขนาดที่ว่าบันทึกเป็น พระกัมภีได้ถึงห้าเล่มด้วยกันพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเพิ่มเติมของพระทาใหม่ใหม่ให้พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะหนุนใยพี่น้องครับว่าเมื่อมีสภาวะที่คริสจักรหรือพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณหรือบางท่านหรือแม้กระทั่งจิตใจที่เรียกร้องให้เราออกมารับใช้พระเจ้าพี่น้องครับอย่า ผลัดวันประกันพุ่งยาผลัดผ่อนแต่ขอให้เราที่จะตั้งใจและมุ่งตรงไปในเรื่องของการรับใช้โดยพี่น้องครับพระเจ้าจะประทานของประทานให้กับเราครับหลายครั้งทีเดียวเรากลัวเราไม่กล้าเราเกรงใจหรือบางครั้งเราก็รู้สึกว่างานเข้าไม่อยากทำเพราะรู้สึกเปลืองตัวพี่น้องครับอยากจะให้เราเปลี่ยน ทัศนกติความรู้สึกอย่างนี้ใหม่ครับเพราะว่าของประธานนั้นจำเป็นในการรับใช้พระเจ้าในขณะเดียวกันครับของพระทานก็ทำให้ร่างกายหรือพระวรกายของพระเยซูจำเริญขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องลองทำดูก่อนครับหลายครั้งในหลายรายงานทีเดียวเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่เราไม่เป็นแต่ผมอยากจะหนุนใจครับว่าเมื่อเราอธิษฐานทูลขอพระเจ้าจะประทานของประธาน ให้กับเราในการรับใช้พระเจ้าอย่างแน่นอนครับอเมน